ไม่อย่างงั้นคุณคิดดูสิที่เราทำทำมาเนี่ยคุณว่าสินค้าเราเนี่ยแหมมันมีคุณภาพถึงขั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าโอ้โหพิเศษพิโเหรอมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างชอมาลเราเนี่ยคุณว่าอาหารเราอร่อยกว่าที่อื่นๆเขาเลยหรือเปล่าน <laughs> ะชอมาลเราเนี่ย <laughs> ไม่อร่อยกว่าที่อื่นเขาหรอกแล้วเราก็ไม่มีเจตนาจะต้องโคไปปรุงให้ลดมันจัดจะต้องให้มันไปอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย <laughs> ใช่ไหม เจตนาเราพยายามแหมใช้พืชผักไรสารพิษนะผงชูรสเราไม่ใช้เอ่าไอ้น้ำปลาไอไอเครื่องปรุงอะไรที่มันจะไม่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเราไม่ใช้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้สีอิ่วสูตรอะไรก็ไม่รู้สีอิ่วสูตรหนึ่งผสมสูตรสี่ถึเปล่าก็ไม่รู้จําไม่ได้ละอ่าเผอผอไม่มีอะไรก็เอาเกลือแทนใส่ คื อ, ค, อคือจะให้เห็นเลยว่าว่าไอเรื่องพวกนี้เราเราไม่ได้ไปสร้างค่านิยมพวกนี้แต่ว่าโดยทั่วๆวไปเนี่ยเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าว่าแต่คนเมืองเลยอาตมาเคยไปอยู่ภูผามาเนี่ยคนดอยก็ติดผมชุรสงอมเงมทุกครังที่ทำมีใสยผมชุรสทั้งแค่เนี่ยอามาบอกโอ้โหมันไปไหนตอนไหนแล้วนะไอไอผมชุรสเนี่ยทั้งๆ ท, ง ท, งที่จริงๆแหมอยู่ดอย อยู่ดอยนะอยู่ป่าอยู่เขาปุ๊โถไปใช้ทําไม่บอกชรถมไม่จาเป็นต้องใช้เลยไม่รู้เหรอบางทีเนี่ยไอซองไอไออะไรนะไม่รู้ละบรรดาบอกชูรถทั้งหลายมียี่ห้อไหนมันจำได้แต่อายินโมโตะอย่างเดียวอะเพราะมันดังที่สุดจอย่างอื่นเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างตาชดา <c oughs> นั่นแหละโอ้โ ห, โ ห, โ ห, โหโบางทีเนี่ยเดินพิธบาร์แต่ซองเซิพวกนี้ก็เห็นแม่อันนี้อันนี้อาจมาอยากจะพูดถึงว่าจะให้เห็นเลยว่าบางทีเนี่ยที่พวกเราทําเนี่ยบางทีเราก็นึกนึกนึ ก, นกแล้วก็แหมถ้าใจเราไม่ถึงพอนี่คุณไม่กล้านะคุณจะกลัวเจ๊งนะถ้าใจคุณไม่ถึงพอแต่เพราะเรามีความจริงใจที่ว่าว่าเราทําอย่างเนี้ยเพื่อสุขภาพที่ดีของเขา แล้วเพื่อไม่ให้เขามีกิเลสมากเกินไปนะเราก็ปรุงระดับกลางๆเพราะคุณอย่านึกว่าแม่ครัวชอมารอไม่มีฝีมือนะที่จริงแม่ครัวชอมารอเนี่ยมีฝีมือมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาปรุงทําอาหารนี่ต้องทําใจมากๆที่ห้ามทําอร่อยเกินเพราะว่าโดยนิสยัยหรือโดยกิเลสของแม่ครัวเนี่ยไม่ยอมนะทําอะไรไม่อร่อยเนี่ย แม่ครัวนี่ไม่ยอมเด็ดขาดเลยให้ตายยังไงนี่นะต้องทําให้อร่อยเพื่อที่จะให้คนกินแล้วติดใจชอบใจเพราะนั้นเป็นการขัดใจแม่ครัวอย่างมากเลยที่ต้องลดฝีมือลงไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องลดฝีมือแม่ครัวเนี่ยลงไปอย่างน้อยครึ่งหนึงนะโอ้โหแทนที่จะใช้งานใช้นี่เนี่ยโอโต้องยอมไออ้าอ้าวแล้วยิ่งแบบให้ไล่สารพิษนี่นะไอโนดก็ไม่มีไอนี่ก็ไม่มีคือ ไ, ไม่มีไล่สารพิษ จะแม่ห้ามโดยนะห้ามไปซื้อแต่ถัดมาใช้เนี่ยโอ้โหต้องบุนหัวสมองที่จะเอาอะไรมาดัดแปลงมาใช้ได้จนทําออกมาบางทียังจําไม่ได้เลยว่า น, นี่เรียกว่าอะไรชักจะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าสีกลิ่นรถมันชักจะเปลี่ยนมันชักสมมุติบอกว่าอะไรอ่ะอะแกงอะไรแกงเรียงอย่างเงี้ยเอะดูแล้วมันน้าตาแปลกแปลฮะมันชักจะไม่เหลียงกันนัเนี่ยมันชักจะแกงอะไรแล้วเนี่ยเออ เนี่ยมีบ่อยไปเลยจนบางคนลูกค้ามาถามอันนี้มันอะไรเนี่ยอาหารชนิดใหม่หรือเปล่าอะไรต้มผักรวมมิตรเพราะฉะนั้นอันนี้นะจริงๆแล้วถึงบอกว่าโอ้โหไม่ง่ายเลยนะอย่างพวกเราเนี่ยแต่พวกเราใจถึงมีบางทีเนี่ยอาตมาเห็นอยู่แม่ครัวบางทีอดใจไม่ได้ก็แหมหนักข้อหน่อยนะโอ้โหกลัวเดี๋ยวขายไม่หมด ัวเด๋ยวขายไม่ออกเลยแม่ปรุงเข้มขนหน่อยแต่เดี๋ยวปรุงเข้มข้งไปเดี๋ยวพวกเราอะ่ะเพราะว่าพวกเราก็คนนั้นชิมคนนี้ชิมเดี๋ยวก็ต้องมาตําหนิก็ต้องมาว่ากันแล้วบอกอ้าอันนี้รสจัดเกินไปแล้วนะต้องให้อ่อนลงหน่อยบางทีเนี่ยจะมาไปบิน บ, บาต ท, ที่จมารอคอยใส่บ า, าตรมาบางครั้งอันมาก็เอามาฉานเหมือนกันมาชิมดูอันไหนรู้สึกโอ้โหวันนี้ใครทาเนี่ยเข็มปี๋เลยวันเนี้ย เดี๋ยธรรมมาก็ต้องไปบอกเหมือนกันนะบอกอือสีบืญใครเนี่ยแม่มีบางทีทําก็โอ้โหขมฉันเสร็จต้ไปบอกว่าวันนั้นใครทํานะพูดธสามสีหรือไงไม่อยู่ใช่ไหมเขาทําผัาใบปอะอะเอะธรรฉันเข้าไปเสร็จนะเออเอาธมาเคยกินใบปอเนี่ยนะมันไม่เคยขมขนาดนี้นะ <c oughs> บอกไอ้ทาไมมันขมจังเลยเนี่ย บอเอ้มันขมระดับนี้นี่มันแหมมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยลูกค้านะนมามายถึงลูกค้าเนี่ยเขาจะไหวหรือหรือว่าเรายังทําไม่ถูกสูตรอะไรหรือเปล่ามันถึงขมขนาดเนี้ยก็เลยไปบอกเขาเสรจวันหลังไปบินาบาบอีกเขาใส่มาอีกแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้อร่อยแล้วนะก็บอกไม่ขมเหมือนเดิมแล้วนะอัจมาก็ไม่รู้นะเขาไปเปลี่ยนแปลงยังไงก็ เขาใส่มาก็ลองมาฉันใหม่เหมือนกันแล้วก็ฉันดูแบบเออเออเออบอกใช้ได้ใช้ได้วันรุง่งขึ้นเงินบอกใช้ได้และวไปมือขนาดนี้ <laughs> ไม่ขมแล้วก็ไม่เค็มเกินฮะลูกค้าเขาเก่งหมายความว่ายัางไงอ๋อลูกค้าเขาเก่งคือรถอะไรมากินได้หมด <c oughs> อันนี้อันไม่อันนี้อาจมาถามโยไม่ได้อาจจะมาต้องถามคนร่างจาน ว่าบางทีนี่ถ้าโอ้โหเหลือในจานเหลือในอะไรต่ออะไรมาเนี่เนี่ย น, น่าพิจารณานล้วเนี่ยใครทําอะไรไว้บ้างจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอาเขา เ, เขาไม่รู้นี่มันชิมก่อนซื้อเสมอเลยเราต้องซื้อไปแล้วถึงจะไปชิมช่ยถึงจะไปกินได้อ่ามีเหมือนกันอาจมาเห็นบางครั้งที่บางอย่างไม่ต้องไม่ต้องชะมร้อหรอกทําขึ้นฉลาเนี่ยแหละ แทบไม่เห็นมีใครแตะเลยบางหม่อบางเอกะละมังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วอาตมาเองยังไม่กล้าเสี่ยงเลยบางอย่างจะเห็นแล้วไม่กล้าเสี่ยงบอเอะยังไงเรารักษากระเพาะเราไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวท้องไส้เป็นอะไรไปแล้วลําบากเออนะอันนี้พูดถึงไอ้แม้บางทีเนี่ยบางอย่างดูแล้วก็เหมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่พวกเรามีความจริงใจที่พยายามทำแลวเราก็กล้าทำจนกระทั่งบางทีบางครั้ง เ, เราทำไปจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราทำไปทําไปจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องไม่ยากไม่ลำบากสำหรับพวกเรานะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจที่พวกเรามีให้ <c oughs> นั้นเนี่ยไลเห็นสิ่งเล็กน้อยได้ <c oughs> คือผู้มีสายตาอันแหลมคม รักษาความอ่อนโยนไว้ได้คือผู้มีความแข็งแกร่งนะตรงนี้สำคัญคนโรคๆมักจะคิดว่ า, า ค, น ค, นนนคนที่ยอมคนอื่นได้เนี่ยคนที่ยอมคนอื่นได้นะคนนี้มันขี้ลาดคนที่มันขี้กลัวนะมันไม่กล้าสู้ใครมันถึงต้องยอมเขาอยู่ล่าไปคนทั่วไปาะคิดอย่างนี้แต่ตรงขัางข้ามเลยสาหรับนักปฏิบัติธรรม นะัเรารู้เลยว่าที่เรายอมไปเรายอมเพราะอะไรนั้นะเรายอมเพื่ออะไรทําไมเราต้องมาขายถู ก, ถกบางทีทําไมเราจะต้องบางทีเนี่ยโอ้โหหาก็หาลําบากล่องไปให้คนไปปลูกไอ้ผักไร้สารพิษอะไรต่ออะไรยากลําบากเหลือเกินถ้าจะว่าไปแล้วแต่เราก็ยอมได้นะทั้งบางทีต้องเหน็ดเหนื่อยนะทั้งเป็นผู้ไปดูถึงที่เขาผลิตท่าน ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาขายมาขายแบบสดๆดหรือบางทีต้องมาทําเป็นอาหารมาปรุงขายโอ้เรายอมเหน็ดเหนื่อยยอมเสียเว ล, เวลาบางทียอมเสียค่าใช้จ่ายเราได้วยซ้ำไปเพื่อจะทําในสิ่งพวกเนี้เพื่ออะไรเพื่อคุณงามความดีเพื่อให้ทุทกๆคนเนี่ยมีความสุขทั้งในสุขภา พ, พร่างกายทั้งความปลอดภัยทั้งชีวิตเละ จิตใจเนี่ยเรายอมได้คนที่ยอมอย่างนี้เนี่ยคือคนที่มีใจเมตตามีใจที่อ่อนโยนเพราะฉะนั้นคนที่มีอย่างนี้ได้เนี่ยจริงๆเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่ใจไม่ถึงเนี่ยทำไม่ได้เอาง่ายๆตะกี้อย่างที่เปรียบไปคนใจไม่ถึงเนี่ยไม่กล้าหรอกที่จะโกนหัวถ้าใจไม่ถึงเพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ย เขาก็แหม่ทรงนั่นสรงนี้อาจามาเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าอาจารย์มาเคยทดลองโกนหัว <S <S ตอนเป็นคารวาสอยู่เนี่ยอยากจะรู้บ้านกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาตินี่หมายถึงว่าโอ้โหสายตาคนอื่นเขาจะมองเรายังไงหรือคนนั้นคนนี้ทักเราเนี่ยโอ้อบ้าแล้วโกนอยู่ <S <S โกนหัวทําไมหรือก็โดนล้ออย่างเงี้ยมันจีโดนเพื่อนล้ออะไรต่ออะไรเนี่ยเออใจเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย ตอนเอ่อตอนถอดรองเท้าแล้วก็เนี่ยครั้งแรกที่ถอดรองเท้าแล้วแล้วมาวัดนะขึ้รถเมย์เดินถอดรองเท้ามาจากบ้านจนมาที่สันติอาสุกแล้วก็กลับนะกลับไปก็ต้องนั่งรถเมย์กลับบางทีก็ไปลงจุดนั้นจุดนี้นะไปลงสนามหลวงไปลงตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดินเท้าเปล่ากลับบ้านโอ้โหความรู้สึกมันเป็นยังไง เราอายไหมเรากลัวไหมเราไม่กล้าไหมคนอื่นมองเราแล้วยังไงมาเคยเล่าไว้ให้ฟังแล้วพวกนี้ครั้งแรกสุดที่มาเนี่ยก้มหน้าก้มตาไม่กล้ามองหน้าใครเลยนะก็ยังรู้สึกว่ากลัวๆอายๆ อ, อยู่เหมือนกันแต่เราก็ยังมีความกล้าที่จ ะ, ะต้องยังไงก็ต้องถอดรองเท้าต้องเดินมานมาวัดเนี่ยมาให้ได้จนในที่สุดเราก็กล้าทำ นะกล้าทําแล้วพอทําไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพอทําไปคราวนี้ชักคุ้นเคยแล้วนะชักเคยชินขึ้นมาเราก็แบบว่าเออไอความกลัวก็ลดลงไปเรื่อยๆนะไอความที่เราจะอาย ท, ทั้งที่เราไม่ได้ทําผิดเราไม่ได้ไปทําร้ายทําเลวอะไร้ไม่รู้จะกลัวทําไมอะ่ะในที่สุดมันก็กล้ามากขึ้นเลยกล้ามากขึ้นเลยยิ่งบางทีเนี่ยตอนที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ใหม่ๆอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงอะ่ะ บางทีไปไหนด้วยกันมันอายไหมนะใหม่ๆตอนแรกๆอายเหมือนกันไ ม, ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะให้เพื่อนรู้ว่าเราเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์เวลาเราเกิดไปกินข้าวพร้อมกับเพื่อนบางทีไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ตัดไอประเภทที่เป็นผักเป็นอะไรเนี่ยกินเราไม่กล้าบอกให้เพื่อนรู้กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนมันจะล้อเราหรือว่ามันจะ ดูหมิ่นเราหรือว่ามันจะว่าเราไม่กล้าใหม่ใหม่แต่เรามีความกล้าที่จะทําแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกทำไปครั้งสองครั้งสาครั้งจนในที่สุดไปเพิ่มเพื่อเพื่ อ, อมันก็รู้จนได้แหละเพราะยังไงมันก็ดีไปพ้นเรามีความกล้าที่เราว่าสิ่งนี้ดีเราเรากล้าที่จะทํากล้าที่จะตั้งใจทําตลอดไปเรากล้า แต่ไม่กล้าเปิดเผยเนี่ไม่กล้าบอกเออก็ยังมีตัวกลัวพวกนี้แต่พอทําไปทําไปนานเข้านานเข้าในที่สุดก็กล้าบอกจนได้หรือเราไม่กล้าบอกไอ้ความลับนี้มันก็ต้องเปิดเผยจนได้แล้วพอมันเปิดเผยมาคราวนี้เราก็กล้าหรือไม่กล้ามันก็ต้องเปิดเผยแหละมันก็ต้องพูดวันพอยิ่งเราคราวนี้เรากล้าพูดออกไปปั๊บโอ้มันเลยไอ้ความกลัวที่อายอะไรต่างๆก็ยิ่งหมดไปเรื่อยๆ จนในที่สุดนะเราก็ยิ่งยังยืนหยัดยืนยันในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ว่ามันดีนะคราวนี้เราก็ยิ่งทำของเราไปเรื่อยทำไปเรื่อยทไปเรื่อยจนในที่สุดความกลัวไม่มีเราก็จะกลับเป็นความเชื่อมั่นกลายเป็นความที่เราเนี่ยยิ่งมีศรัทธามากขึ้นแล้วยิ่งทำเราตัวเราก็ยิ่งดีแล้วเราก็ยิ่งเห็นเลยว่าแม้ว่าเพื่อนฝูงอาจจะไม่ชอบหรือว่าหลายคนเป็นห่วงเรา แต่เราทําไปแล้วเราก็ไม่จะเบียดเบียนไม่ได้ไปทําร้ายอะไรใครแล้วมันเป็นสิ่งดีที่มันจะเป็นตัวอย่างด้วยจนในที่สุดแล้วก็ทํำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนในที่สุดคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องยอมมาตามเราจนได้ยอมมาตามเราจนได้ในที่สุด <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะเราทําแล้วเราก็ยิ่งมีผลดีปรากฏกับตัวเรามากเรื่อยๆเพนันบางอย่างเนี่ยบางทีดูแล้วมัน <c oughs> เหมือนกับเรื่องเล็กน้อย แต่พอเราทําไปทําไปยืนหยัดยืนงานทําไปทําไปทํา ไ, ไปนานเข้านานเข้านานเข้ า, เ, ขาเอามันไม่ไอ้เล็กน้อยแล้วนะคราวเนี้ยกินมังสวิรัตอุ้ ย, ง, ย, ยง่ายมากกินมื้อเดียวง่ายมากเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับเราแล้วนะทุกวันนี้แต่บางทีสําหรับคนอื่นนี่โอ้โหยากมากสําหรับคนที่ไม่ไม่เคยทําแล้วก็ไม่กล้าทําอย่างเงี้ยกลัวที่จะทํายากมากๆ เพราะนั้นถึงบอกว่าคนเราเนี่ยมันจะหมดความกลัวหรือความกลัวจะลดลงได้บางทีเราต้องต้องกล้ากล้าที่จะทุ่มโถมหรือว่ากล้าที่จะทุ่มเทลงไปบ้างบางทีมันอาจจะต้องเจ็บบ้างบางทีมันอาจจะต้องปวดบ้างมันต้องฝืนใจบ้างแต่บางทีต้องกล้าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆโดยไม่เสียแรงงานไม่เสียหยาดเหงือ่อบางทีแม้แต่น้ําตาหรือว่าหยดเลือด บางทีก็ต้องเสียเหมือนกันนะเพื่อที่จะแบบว่าให้ได้มาในสิ่งที่เราคิดว่าดีงามหรือว่าถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเราขึ้นมันใครอยากจะได้อะไรเหมือนกับอยากได้เพชรอยากได้ทองอยากได้มาโดยง่ายง่ายๆสบายสบายไม่มีหรอกไอ้อย่างนั้นนะ่ะฝันไปเถอะฝันไปเถอะไม่มีบรรได้ได้จริงเพราะความจริงเนี่ยนะ ได้มาด้วยยากได้มาด้วยลําบากอันนี้พระเจ้าท่านก็ยืนยันไว้เลยว่า <c oughs> เราตั้งตนบนความลำบากเนี่ยอุโทธรรมจะเลยไหมถึงคุณจะได้ดีคุณต้องลําบากก่อนมันคุณจะเอาดีแบบสบายๆฟรีๆไม่มีเพราะมันต้องลําบากมันต้องสู้มันต้องฝืนใจต้องขมใจต้องอดทนนะต้องขยันขี้เกียจไม่ได้หรอกขี้เกียจแล้วคุณไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต นะ่อันเนี้ยมันเป็นตัวยืนยันเลย <c oughs> อะแทบไม่น่าเชื่อเลยมดตัวน้อยนิดหากรวมกันเข้าเป็นฝูง ม, มดแล้วจะทรงพลังแข็งแกร่งมหาศาลก็ทั้งสามารถล้มช้างใหญ่ได้เอเอชื่อไหมล่ะตรงเนี้ยมดล้มช้างี่มีมาแล้วนะจริงๆเลยด้วยนะ่ยิ่งใน <c oughs> เคยดูพวก หนังสารคดีเข้าฉายของจริงมาเลยนะก็ถ่ายของจริงมาโอ้โหไอ้พวกมดป่าเนี่ยมันมันไปไหนเนี่ยไปไเป็นฟู้ใหญ่เลยนะรวมตัวโอ้โหเวลามันไปทีเนี่ยไอ้พวกกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นไอ้พวกนี้มันมันเดินกันแล้วมันเดินกันแบบโอ้โหเป็นผืนเลยนะแทบจะเห็นเป็นคลื่นเลยนะไหลเลยแล้วเรียกว่าศาสตร์ตัวไหนมาขวางไอ กองทัพมดนี่นะโอ้โหมันกัดเรียกว่าขนาดหมูป่าหรือว่าอะไรพวกนี้ตัวใหญ่ๆ่อะไปขวางไปเจอมันเข้านี่มันลุมกัดทีเดียวแป๊บเดียวอะตายเลยแล้วก็ลมกินเนื้อกินอะไรไปเลยโอ้โหมเหมือนเอานั่นน่ะนะนึกถึงไอ้ปลาปิรันย่าเนี่ยอันนั้นก็เคยดูสารคดีอะโอ้โหมั่งทีไอ้พวก อะไรนะฮิปโปพวกช้างน้ําหรือว่าพวกสัตว์น้ําอ่ะที่บันทีหลงเข้าไปดงในพวกปาลาปิแลญญ์าตัวไม่ให่เลยนะตัวมันไม่ใหญ่โตอะไรมากมายโอ้โหแต่เคี่ยวมันคมแผบเดียวบังกินไม่กี่นาทีเองอะแผบเดียเหลือแต่กระดูกเหลือแต่อะไรเลยเพราะเนี่ยมันเป็นการที่ว่าโอ้โหมันรวมพลังกันนะเพราะฉะนั้นการที่แล้วอะ่ะมันเหมือนกับเราเนี่ย เราจะทำดีก็ตามเราทำดีมันก็เหมือนกับบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ก็ไม่มากอะไรแต่เราทำดีสะสมสะสมสะสมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีพลังนาที่มากพอที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุทําได้หรือแม่เม็ดฝนหยดน้อยๆก็ยังสะสมกันเข้าเป็นทะเลกว้างใหญ่ใครจะไปเชื่อว่าบางทีแม่น้าลาคลองมาหาสมุทรหรือว่าทะเลต่างๆ มันเกิดจากฝนเนี่ยใครจะไปเชื่อใช่ไมฝนเราก็เห็นนะมันก็เม็ดเล็กๆ เ, เนี่ยตกๆ ต, ต, ต, ตกมาไม่ดูแล้วมันไม่น่าจะกลัวอะไรโอโ้โหแต่มันตกมาตกบ่อยๆตกไม่หยุดนะเม็ดเล็กๆนี่แหละมันกลายเป็นทะเลมหาสมุทรทีนกว้างใหญ่ได้ฉะนั้นการยื่นน้ำใจให้แม้เล็กน้อยหากทำบ่อยๆก็ทำให้ผู้ได้รับนั้น ก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจได้เหลือล้นแล้วรสชาติอันดื่มดำแห่งความเอ็นดูต่อกันเมตตาเห็นใจกันก็จะแพ่กระจายครอบคลุมไปทั่วดวงใจจะได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลอย่างเบิกบานมองกันและกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักแห่งไมตรีเออตรงเนี้ยแม่อาตมาเองรู้สึก <c oughs> พวกเรา พูดถึงหมู่กลุ่มชาวโศกคือพวกเราเนี่ย ม, มันตัดไอ้พวกกระตุ้งกระติ้งออกไปไม่ใช่กระเทยนะที่บอกว่าตัดกระตุ้งกระติ้งออกไปเนี่ยคือเราตัดไอ้พวกมารยาทสังคมเราตัดพวกดีลาที่ดูแลจะอ่อนหวานในะสุภาพเรียบร้อยเราพวกเราเนี่ยค่อนข้างตัดตัดตั ด, ต, ดตัดพวกนี้ออกไปมาก จนกระทั่งเลยกลายเป็นบางทีนี่พวกเราดูแล้วมันแข็งแข็งนะพูดก็พูดแข็งแข็งเออเจอกันบางทีก็ดูแข็งแข็งไม่ไม่ค่อยอ่อนช้อยช้อยนั่งลำ <c oughs> นะก็ไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> คือคือเราเนี่ยมันมันมันรู้สึกกลายเป็นแข็งแข็งแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าพวกเราแข็งแข็งต่อเมื่อบางทีเราไปเจอคนอื่นอะ่ะซึ่งไอคนโลกโรคเนี่ย บางทีมันก็เวอรมันก็เกินไปนะเราไปเห็นไอ้ที่มันเวอรมันเกินเนี่ยเราก็รู้สึกหมั่นไส่ว่ามันหวานเกินไปพึ่งตอมนะอย่างเงี้มันหวานเกินนะบางทีเราเห็นโอ้โหเขาบริการเขาจ๋าเขาแหมแทบจะไม่ต้องไม่ต้องเดินเลยแทบจะอุ้มเราไปถึงที่เลยพาเราไปถึงที่เลยอะไรเงี้ยคื อ, ไ อ, ไ, อไอ่บริการเขามันก็โอ้ เกินไปหรือเกินซึ่งเราก็ไม่ทำถึงขนาดนั้นแต่พวกเราเนี่ยทุกวันนี้บทีมันตรงตรงมาอีกมุมหนึ่งคือจะแข็งจะแข็งไปละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลพะพอเรารู้แล้วว่าไอ้อันนั้นมันก็เป็นความตรงตรงนะเออมันตรงแง่แง่บวกก็บวกมากไปไปตรงแง่รบก็รบเกินไปจนกระทั่งเราเลยไม่พอดีสักทีนะเพราะนั้น <c oughs> เราต้องฝึกความพอดีนะแล้วก็ต้องฝึก มีเมตตาชานิดที่เรียกว่าเมตตาแบบก่อนโยนนะไม่ใช่เมตตาแบบแข็งกล้ามีพวกเราเนี่แหละเมตตาแต่ว่าแข็งกล้าวแล้วพวกคุณไม่รู้นะพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ภาษานะหน้าตาคิ Q ้วเขาปากเปิดมันไปหมดเลยนะโอ้โ ห, <anya> โโหดูแล้วก็แหมแหมไอหยับหยาบมันขึ้นมาเหมือนกันนะอาตาเนี่ยขึ้นไอแบบภาษาหยาับหยา ภาษาที่อาจจะหนักข้อหน่อยอจะพูดดีหรือเปล่าก็นึกอยู่เนี้ย <c oughs> คิดแล้วก็อย่าพูดเลย น, น่โอ้โหมันไม่หวจริงๆเลยาบางทีเนี่ยแม้บางคนไม่พูดเนี่ยแต่คุณเจอเข้ามาคุณยิ้มยิ้มให้เขาก็ยังดีใช่ไหมเออก็ยังดูมีมิตรมีไมตรีแต่นี่บางทีเนี่ยเราเจอเขาเราก็เฉยเฉยไอเฉยเฉยของเราเนี่ยมันคือบึ้องนะ ไอ้เฉยๆของเราเนี่ยมันคือบึง้งยกเว้นคนที่ประเภทมีวาสนาบา ร, รมีที่น่าเฉยๆแล้วก็ดูแบบอมยิม้มเออมันหายากแต่ส่วนใหญ่คนเราเฉยๆเนี่ยมันมันมักจะไปทางที่บึ้งตึงมากกว่าไอ้เฉยๆเนี่ยมันไม่ถึงจกแยกเกี่ยวก็ใช่แหละแต่มันบึง้งน่าเฉยๆเนี่ยอาตมาเองเนี่ยยังรู้หน้าตาตัวเองดีเลยเพราะรู้หน้าตาตัวเองดีนี่แหละอาตมาก็เลย ฝึกยิ้มมากๆฝึกบางทีก็เลยยิ้มมากไปหัวเราะมากไปเพราะว่าฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าบางทีมันก็เวอร์มันก็มันก็เกิ น, น, กกนแล้วบางทีก็เลยโดนติโดนว่าก็ต้องพยายามลดลงบ้างเหมือนกันแต่ก็ต้องฝึกมานะไม่งั้นแต่ก่อนนี้อาจจะมาจะไม่บอกแล้วไม่ปฏิสันฐานอามาไม่ชอบพูดอยู่แล้วนะที่จริงเพราะฉะนั้นปฏิสันถานของอาตมาเนี่ยถ้าดีที่สุดนี่คือยิ้มให้ดีที่สุดแล้วยิ้มให้ ถ้าเป็นแต่ก่อนนี้นะนี่คือดีที่สุดเพราะพูดนี่ขี้เกียจพูดไม่ชอบพูดจะพูดเฉพาะคนที่เราคุ้นเคยหรือเรารู้จักยังไม่ปฏิบัติธทรำรเลยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่เข้าท่าเลยเออเรานี่เหมือนเหมือนคนอยู่ในภพตัวเองแล้วก็มันเหมือนกับไม่แคร์ไม่อะไรใครอะ่ะคือจะเอาแต่คนที่เราคุ้นเคยคนที่เรารู้จักน้อยๆคนแต่ก่อนนั้นคิดอย่างนั้น แลจะเอาแค่น้อ ย, นอยคนพอแล้วแล้วจะพูดมากเลยนะกับคนที่สนิทคุ้นเคยจะพูดมากส่วนคนไม่คุ้นก็คือไม่พูดเลยมันก็เป็นความตรงตกเราหลังพอมารู้อย่างนี้ก็เลยพยายามแก้พยายามปรับก็หัดไปยิ้มเหมือนกันเหมือนกับคุณจำลองบอกเนี่ยว่าตื่นมาก็หัดยิ้มกับมุ้งกับอะไรเนี่ยแต่อัตมาแต่ก่อนนั้นก็หัดเองเหมือนกันเพราะรู้บุคลิกตัวเองว่าเอ๊ะบุคลิกเราไม่ดี นะไม่ไม่อะไรอ่ะไม่รู้สึกเป็นมิตรเลยเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยแบบว่าหัดหัดไปยืนอยู่หน้ากระจกไปยืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยหัดเอายิม้มบางทีเอายิ้มนี่ยิ้มอย่างนี้ยิ้มซ้ายที่ยิมยย้มขวาที่เอ้มันยังไงบางทียังเนี่ยเยเอามือเอานิ้วเนี่ยเอานิ้วสองนิ้วเนี่ยมาดัานมุมปากเล่นเนี่ยบางทีดันมุมปากเล่นทําเหมือนกับว่าให้มันยิ้มไงบางทีอ้าหัดดันดันเล่นดันเล่ น, นเนี้ย คือเราดันเล่นแล้วเราก็ขำขำอ่มันก็เลยยิ้มฮอาห่าจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้เรานี่หน้าเฉยสมัยก่อนนี่คนกลัวจะมาเยอะยิงพวกล้นหลานนี่กลัวหมดแหละเพราะว่าไม่มายิ้มเล่นๆนะนะเออเพราะฉันกลัวโอ้ทุกวันนี้นี่เรื่องอารมณ์เรื่องสภาวะจิตเรื่องอะไรต่างๆนี่เราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วเราก็ เลิกคิดและอะไรกุ้มกุ้มอะไรเครียดเคียดเราจะไปเพราะเรื่องงานเรื่องการเพราะไอเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องลำบากอะไรนี่เดี๋ยวนี้เราตัดปล่อยได้เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่บังคาข้างสมองค้างใจเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราไม่เป็นอยู่แล้วทุกวันนี้ต่อให้เรามาเฉยๆก็มันไม่ไม่น่ากลัวมันแต่ก่อนแล้ว